นาโมทัสสะปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนาโมทัสสะปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนาโมทัสสะปะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ ในวาระต่อไปนี้จะได้แสดงธรรมะคำสอนของผู้มีพระพาคจาเจ้าในแนวทางปฏิบัติต่อจากเมื่อวันก่อนที่ได้แสดงกายขจาสติและอสุภะกรรมฐานเพื่อเป็นการปรปาบปรามกามฉันราคะเหล่านี้ให้บาบางลดน้อยลงไป และเป็นแบบเพื่อกำจัดนิวรทั้งหลายอันทั้งมปนส่วนหยาบส่วนกลางส่วนะเอียดให้เบาบางไปวันนี้ก็จะได้แสดงบทกรรมฐานในข้อที่9ของนุสติก็คืออนาปานสติอนาปานสตินี้คือให้มีสติตั้งกาหนดรู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้า ในบางคมทีเขากล่าวว่าหายใจเข้าหายใจออกแต่ในฉบับเดิมกล่าวว่าหายใจออกหายใจเข้าดังนี้ก็มีแต่ความมีจริงแล้วถนัดแบบไหนเพื่อให้จิตสงบง่ายก็เป็นการใช้ได้ทั้งสิ้น อานาปานสตินี้เป็นบทกรรมฐานของสมาธิและเชื่อมโยงวิปัสสนาได้เป็นอย่างดีและอานาปานสติธรรมฐานเป็นธรรมะที่สงบแล้วเย็นสบายมีความปลุกใจมากไม่มีบทกรรมฐานอื่นที่จะเย็นจิต เหมือนกับอาณาคานสติครั้งเมื่อต้มเด็ดพระผู้มีพระพายเจ้าเลิกบำเพ็ญทุกกรรยาแล้วจึงพิจารณาว่าเราจะบำเพ็ญอะไรต่อไปเมื่อสำหรับสํมมาคงพราหมณ์ใแต่โบราณ ม, มาเช้าไม่ได้ เ่อหัว น, นึกถึงเมื่อคราวทิพยองค์ยางเป็นเท้ากุมานน้อยในคราวทิพยพระเจ้าทุทธโทษนะพุทธบิดาออกไปทำวิธีแรกนาฝันปล่อยให้พระองค์อยู่โคนไม้ขับนางที่เดียงจนถึงเวลาทางเที่ยงไปแล้วจนบ่ายบ่ายแล้วเงาไม้คนจะเอ็นไปตามเงาของตะวัน กรับเงาไม้ไม่ไปกับทรงกรดเป็นบุกเป็นแบบเสวิจฉัดบางร่มให้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือตอนนั้นต้องเรียกว่าพระโพธิสัตเพราะยังไม่ได้ตัดสะูใกล้จะตัดสะูุจนทำให้เป็นที่เกิดความส ง, งสัย ของพานาพีอยียงนั้นจึงได้รีบประกาศภูนพระชาสุโธนะขาราชบริพานมากันมากมายเห็นความอัศจรรย์เป็นอย่างยิ่งพระเจ้าสุโธท น, นะแม้เป็นบุตรบิดาพระบิดาของข้ากุมาร น, น้อยถึงกับลงกราดข้ากุมารของตนทําให้ข้าราชบริพานกราบบังคมคารวะ พระอุมาไปตามการด้วยครั้งนี้เป็นครั้งที่สองของพระเจ้าุดโทธนะคือพ่อกาบลูกครั้งแรกเมื่อประตูติแล้วใหม่ๆอาติดาบทหรือกาลเทวินได้เข้ามาเยี่ยมราโชโรสและขอดูสรีระของพระโอรส เมื่อกาลาเทวินหรืออธิดาบทเห็นมหาุริรักษณะของพระโพธิสัตว์ว่าท่านผู้นี้ต่อไปจะยิ่งใหญ่ในประเทศในแคว้นนี้ถ้าเป็นกษัตริย์จะเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีทรงคุณมีอาณาเขต้างฝาง ในสีขอบเขตมหาสีมาสีขอบเขทขันมหาสีมาเรียกว่าพระเจ้าจักรพรรดิรานานๆในโลกนี้จึงจะมีได้แต่องค์หนึ่งแต่ถ้าวา อ, อบวลจะเป็นศาสดาเอกในโลกอาจิตาบทเห็นความอัศจรรย์นั้นจึงได้ก้มลงกราบ หากุมาน้อยนั้นพระเจ้าจึงโทนนะัตเห็นอาทิตย์าบทเป็นผู้ที่มียานกล้าจึงได้กราบพระโอรสของตนเองด้วยเป็นครั้งแรกและครั้งที่สองก็ชิตใจกลมโปรโพึกตอนแรกนาฝั น, นนี่เป็นครั้งที่สองฤาษี ราภุมาร น, น้อยวิด า, ากราปลุกเขามีคำพูดกันพระเจ้าถุโถทนะก่อนจะตรูปานุจลธรร ม, มาธรรมพุญญาเป็นภุมาร น, น้อยสองครั้งแต่เมื่อจะตรู้แล้วเป็นพระอรหันตธรรมาธรร ม, มชาแล้วก็เป็นประจำนีพูดถึงก่อนที่ยังเป็นพระภุมาร น, น้อยอยู่ เพราะฉะนั้นพระมหาบุรุษผู้ตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อยหพนทุกข์เห็นแล้วว่าทำของอาราณาบทและทุกขารบทก็ไม่สามารถจะทำให้พ้นจากทุกข์ได้ยังเขามาบัรแปดยังเป็นูโียะอยู่บามาเป็นทุกข์ ก, กิริยา มีแต่การทรมานตนมีแต่ตึงเกินไปแล้วย่อนเกินไปเึินตึงเกินไปก็มีการอุดทนต่างๆพี่ไหนแดดร้อนก็ไปนั่งที่ร้อนที่ถุดที่ไหนหนาวก็ไปดูที่หนาวที่ถุดเพื่อให้เผากิเลสเพื่ออาศัยความร้อนเผากิเลศความหนาวเผากิเรศแต่ก็ไม่ทำเป็จ แต่ทุกเวทนามาเจ็นที่ร้อยกับผิวหนังก็แตกและในที่เย็นก็ทำให้คาบความเย็นน้ำแข็งนั้นเนื้อหนังมังสาก็ชาลงหมดเท่านั้นก็ยังไม่ทิ้งความสงสัยเชงบาเพ็ญทุกกรก์ิดยาคันตายคืออดลักรัรกรยาหา ร่างกายร่างกายพูดผอมลงผอมลงหนังหุ้มกระดูกแทบกะไม่มีเนื้อชอนเด็กบริเวณเขาบริเวณนั้นเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะเห็นพระมหาบุตมันเป็นอย่างครั้งแรกก็ ย, ยังไม่แปลกใจครั้งหลังนี้ผอมาอมากผอมมากก็มายืนดูพระรูปของพระมหาบุตที่ผอมเหลือแต่กระดูกนั้น ตาบ้านก็มากล่าวว่าช่วงนี้ปรมมหาบุตคลั่ใบ้างหอมบ้างเหล่านี้เป็นต้นเป็นพยานหลักฐานที่แสดงเห็นว่าพระพุทธองค์ได้บำมเพ็นทุกก์คกิริยาอย่างช่างอุกฤษทั้งสูงสุดแล้วพระพองค์รู้ตามความจริงว่าขืนภาวนาแบบมีต่อไปมีแต่ตายอย่างเดียว เพราะฉะนั้นพวกครามดาบดทต่างๆที่มีความแก้วกล้าคงจะเสียชีวิตในระดับนี้กันเสียมากพระองค์ทรงเห็นว่าอันนี้ไม่ใช่ทางไม่ใช่ยอดทอ้อถ้าหากว่าเป็นทางที่บรรลุมรรคผลได้เลยไปกว่านี้ก็สู้อีกแต่ทรงเห็นด้วยปัญญาว่าอันนี้ไม่ใช่ทาง เหมือนกับบุคคลผู้เดินทางที่จะไปแห่งหนึ่งไม่มีรอยเท้าคนเดินก็บุกป่าขาดรงทางโู้นบ้างทางนี้บ้างบุกไปจนไม่มีที่จะไปจึงรู้ว่านี่มันจะทางฉันใดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงพิจารณาต่อไปว่า ทำของสองดาบทก็ไม่ได้ผลของพรามทุกองคียาก็ไม่ได้ผลเราจะต้องเป็นหาพ่อทมอันเป็นส่วนสติปัญญาของพระองค์เองนแน่แท้จึงได้นึกถึงตอนเป็นพระกุมารแลว้วก็พิจารณาว่าพระกุมารมีความสงบังนั้นคพระชิดไม่ไม่ไม่เงาต้นไม้ไม่เปลี่ยน เก็นไปตามตะวันด้วยเหตุบา ร, รมีอะไรเพราะด้วยเหตุบา ร, รมีของพลรัรงจิตของพระกุมารในขณะนั้นคือพระองค์ยังไม่รู้จักแต่ว่าไม่มีอะไรเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวไปเลยอารมณ์หายใจเขา้าเป็นยึดเหนี่ยวจึงได้อนาปานสติขึ้นแต่ว่าเป็นสมาธิ พอเคลื่อนออกตางนั้นแล้วไม่จัดทางก็เสื่อมไปอีกมันเองบําเพ็นโดยตรงแบบเพ็นจริงจังเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์นึกถึงตนเองเมื่เอเป็นปุมาโนอ้อยอยู่จลนึกถึงวิธีการแ้นึกถึงอารมณ์้นึกถึงความเป็นในครั้งนั้นได้ เมื่อนึกถึงข้อนั้นได้ก็มีความอิ่มใจว่าทางนี้ก็เป็นทางที่รู้มรรคผลแน่แต่เราจะบำเพ็ญเพียรทางนี้เวลานี้ร่างกายเรอ่อนแอมากแล้วเนี่ยอาหารไม่มีมาหลายวันแล้วเพราะฉะนั้นจึงออกบินธบาร์ได้รับอาหารอัดใ่บาตมาฉันพวกปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเข้าใจว่าพระพุทธองค์หมดความเพียรแล้ว เวียนมาจนความมากมากแล้วอดทนกว่าความอยู่ไม่ได้แล้วอดทนกับาความทุกข์ยากไม่ได้แล้วทุกขก่อนกิริยาไม่เม็จแล้วอัญมณีที่ห้าจึงหนีไปเสียว่าพวกเราญอย่ามาช่วยกันดูแลคนที่คลายความเพียรเลย แล้วก็ปราณมฆามีอัญญาโคนัญญาเป็นหัวหน้าคนนี้ไปอยู่ชายป่าอีพิภัจนะเมื่อไทยวันแต่งเมืองพาราณสีอันินเดนั้นเป็นที่อยู่ของพวกโรสีเป็นอันมากฝ่ายพระมหาบุรุษเมื่อไม่มีใครดูแลแล้วก็ยิ่งดียิ่งเงียบไม่ต้องมีใครมาปัดมาฝาดมาดูแลอื่นๆถึงเวลา ไอยออกจากการบำเพ็ญก็มาจัดกระทาเองด้วยความสบายใจมายุดมันนะเริ่มบำเพ็ญเพยียรทางจิตก่อนได้แก่อนาปานสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกด้วยฟามมีสติจิตหายใจเข้า จิตก็รู้อารมณ์ของหายใจเข้าแนบติอยู่กับกจิตแนบประจิตด้วยฟามีสติหายใจออกก็มีสติแนบอยู่กับกจิตเรื่องอนาป า, านสติจงนี้มีวิธีหลายอย่างมีวิธีหลายอย่างด้วยกันมีคําละเอียดอ่อนช้อยและลึกซึ้งและจีดทวนมาก ตามการบัตินาโดยสมบูรณ์แต่ส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติกันพ่อปฏิบัติตรงตามหลักที่สำคัญสำคัญแล้วก็เป็นผลเกิดจากบวยขึ้นเป็นสมาธิเป็นภาวนาจนจเจริญวิบัตนาต่อไปได้เพราะฉะนั้น พระมหาบุรุษเมื่อได้สเสวยพรคยาอานพอมีกำลังแล้วึงตั้งใจเจริญอน า, นาปานสติเมื่อความมีสติหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้มีอย่างหนึ่งหายใจเข้ายาวก็รู้หายใจออกยาวก็รู้นี่อีกอย่างหนึ่งหายใจเข้าสั้น ก็รู้หายใจออกตั้งนก็รู้หายใจเข้าทีห่างอย่างไรก็รู้หายใจเป็นปกติตามอาการของที่จะหายใจของทั่วไปด้วยความมีสติก็รู้เพราะฉะนั้นในคราวใด ถาอารมณ์ปกติก็หายใจตามปกติเหมือนคนหายใจชัวรไปแต่มีสติรู้อยู่กับจิตว่านี่หายใจเข้านี่หายใจออกในคราวใดวถ้ามีอาการอื่ น, อ, น, อ, นอันหนึ่งอันใดเกิดมีความผุ้งซ่าน้็ใช้การหายใจเข้าเร็วออกเร็วหายใจเข้าเร็วออกเร็ว รารทิวลาหายใจเข้าเร็วออกเร็วนั้นสติกันหมดแต่ลมในการหายใจเข้าออกเร็วนั้นไมไ่ไปที่อื่นนำจิตเข้ากำหนดรู้หายใจเข้าเร็วออกเร็วจนก่าที่ยกว่าความพุ่งสร้างเพออุทธัจักอุกุจจา น, นเบาลง ผู้ทุจาัูจจกคือนิวรในข้อสี่เบาลงแล้วจึงค่อยๆผ่อนลมที่หายใจเร็วนัว้นค่อยๆช้าลงช้าลงตามลำดับและเมื่อหายใจอยู่ตามปกติแล้วจิตหยุดปวากปุามีสติประครับรองจิต ด, ดูเอาคามไมทรงผ่านนั้นแลหมดรู้ลมหายใจต่อไป จนว่าสงบเวลาที่จะเกิดความสงบนังนจิตนั้นประกอบวรวิตกคือลมหายใจเข้าและหายใจออกนี้ตึกอยู่กับกจิตเปรกอยู่กับกจิตนอนแนกบกับจิตเรียกว่าวิตกและมีความรู้สึกตัวอยู่เสมอ ประคองอยู่เสมอไม่พังไม่เผลอเรียกว่าวิจาร์ทั้งสองประการ น, นี้เป็นองค์ของฌานในเบื้องต้นตองจายพอแลกองค์ของฌานมีองค์ห้าคือมีวิตกวิจารมีปิติมีสุขมีอากาศาเมื่อชำนาญในฌานทีนหนึ่งไประโมาชฌานแล้วก็พึกิตลงไปอีก ระงับวิตกประวิจารเสียให้มีปิติเด่นอยู่ในจิตความอิ่มใจตอนนี้มีองค์สามมีปิติสุขเอกภตาเป็นฌานที่สองภาพเพียรชำนาญให้ทำให้มากยิ่งขึ้นไปอีกก็ได้บรรลุฌานที่สามคือปิติดับลง เหรือแต่แก่สุกแกสุกระเอขะตาเป็นฌานที่สามครูบาอาจารย์เคยกล่าวว่าผู้ที่ในฌานที่สามถ้าม้อยๆได้รับคาแนะนำจากอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญมักจะติดกันอยู่ตรงนี้มากเพราะองค์ของฌานนี้คือสุขแระเอกขะตาเอกขะตาจาิตเป็นหนึ่ง และก็มีทุขความทุขนี้ทำให้บุคคลผู้ภาวนานั้นสบายอย่างยิ่งมีความสุขอย่างยิ่งเหมือนกับว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรแล้วมีแต่ความสุขสงบเพียงนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ที่ระยะหลังที่ไม่มีครูบาอาจารย์ก็มักจะติดหรือหลงอันนี้อยู่นานจนกว่าจะพบครูบาอาจารย์ ก็ให้ข้ามเลยไปเตียนไม่จิต ด, ดูปิติตัดปิติออกไปตัดจุปออกไปตัดจุปออกไปความสบายออกไปเหลือแต่เอกคจ า, าและมีอุเบกขาขึ้นเอกคจ า, าและอุเบกขาองสองนี้เป็นจตุเจชานกิธานีสี ผู้ใดได้าชาทติสี่จนชั mn านนั่นแลมีนิมิตรก็อนิมิตนั้นมาพิจารณาเป็นอนิจังทุกขังอนัตตาไม่มีนิมิตแต่ดูจิตที่อยู่ในชาติสี่ก็มาพิจารณาอนิจังทุกขังอนัตตาเป็นภาพภูมิทําให้เกิดปัญญาขึ้นเมื่อพิจารณาบ่อยๆ มาพิจารณาบ่อยๆเข้ามาพิจารณาบ่อยๆเข้ามาใัยความสงบแต่โดยทั่วๆไปถ้าอยู่ในกำลังของฌานที่เกมที่เขาจะถอยจากฌานออกมาให้จิตธรรมดาเสียก่อนแล้วจึงพิจารณาฌานเหมือนบุคคลผู้เดินมากำลังร้อนจัด แต้น้ำที่ควรดื่มกะลังหานั้นเขาจะนั่งพักเดียก่อนให้บรรเทาความเมือ่อยแล้วค่อยๆดื่มน้ำทีละน้อยทำไมไม่เช่นนั้นอาจจะมีอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งคืออวัยวะที่รีบดื่มกระไบนั้นกลับรัวไม่ทันอาจจะเกิดฉุกเกิดเสียด เกิดลมกดในกระเพาะอย่างใดอย่างหนึ่งกวลาฉันใดผู้ที่ได้ฌานสี่แล้วจะพิจารณารรหยุดเดก่อนหยุดแล้วจิตอาจจะถอยออกจากฌานตอนจิตถอยออกจากฌานนั้นเป็นจิตว่างสงบว่างธรรมชาติ แล้วใช้ปัญญาพิจารณาอยู่ในขณะนั้นลักษณะว่างยังไม่นึกอะไรนี่เหมือนกับเรานอนหลับสบายเต็มที่หลอดคืนพอเช้าคื่นมาครั้งแรกยนงไม่นึกถึงการงานอะไรกิจกรรสบายอยู่กับกามหลับและในช่วงนั้นพิจารณาธรรมจะเห็นอัดเห็นธรรมได้ง่าย กยังอยู่ในวาระช่วงพิจลตอยวางอย่างอื่นทั้งเบื้องสูงและเบื้องต่ำอยู่ในระหว่างกลางเมื่อใช้ปัญญาพิจารณาในขณะนั้นจะเป็นสนให้เกิดมีสติปัญญายิ่งขึ้นสัมผัสขับอนิจจังสัมผัสจับทุกขงัง สัมผัสกับอนาตาได้ง่ายขึ้นผู้ที่ในพระสูตรต่างๆผู้ที่ได้ฌานสี่แล้วมาพิจารณาดังในกาวมาแล้วนี้ได้ดวงตาเห็นธรรมหรือได้รรลุพรอาหันต์กันเป็นจำนวนมากในระดับฌานอันนี้เมื่อปล่อยฌานอันนี้ลงในช่วงดังกลาวมานี้ ผู้ปฏิบัติควรปรึกษาครูบาอาจารย์ที่เราผ่านอารมณ์เหล่านี้มาก่อนเพราะถ้าหาว่าเดินทางไม่ถูกแล้วเกิดโภาแสแน่ระว่างอื่นอันเป็นตัวหลอกเป็นอารมณ์หลอกเป็นคามสว่างหลอกไม่ใช่ทางคำชาใจว่าเป็นทางแล้วก็จะหลงไหลติดอยู่ตรงนั้น ไม่สามารถที่จะส่งจิตเข้าสู่อริยมรรคอริยผลได้อุปสรรคของจิตมีมากมายเพราะฉะนั้นการทำกิดให้สงบทานิททานานและรูห้หนทางเข้าและออกให้ชัดเจนจะเป็นส่วนที่ดีอย่างยิ่งมั่นคงอย่างยิ่งหลงู้เทศจันจึงสอนว่า ให้ทำสมาธิมากๆอย่าเพิ่งรีบพิจารณาพอ ร, รีบพิจารณาไปเดี๋ยวอุปจารสมาธิบางสิ่งบางอย่างไม่รู้เห็นอะไรเข้าจะทำการผิดวานนั่นทางแห่งความปนทุกข์ก็จะเสียหายในการปฏิบัติหรืออย่างน้อยก็เสียเวลาและอาจจะเกิดความเข้าใจผิด เมื่อาการต่างๆเพราะฉะนั้นเขาู่เปรียบเทียบว่าเมื่อบุคคลมีสมาธิได้มีจิตพื้นบานแบบนั้นไปหาอาจารย์องค์หนึ่งกระบอกนั่นกล้าจะถึงแล้วให้ภาวนาเขาจิตที่ถึงระดับนี้หายาที่จะคนได้คนถึงรีบภาวนาเขาอีก ร, รีบพิจารณาเข้าได้เกิดปัญญาแต่จะเอาไปหาคนหนึ่งก็จะบอกว่าท่านเดินทางมาผิดทางแล้วไม่ถูกแล้วก็จะไม่สบายใจและไม่ชอบหน้าคนปุ๊บเมือ่อหลังพอไม่ชอบโอธะความโกรธเกิดขึ้นทันทีจิตเสื่อมตกลงทันที ถ้าหาว่าคนที่นั่นเถือนว่าอันนี้ตามมาเกิดดีชอบนิยมชมชอบเพราะนั้นโลภะหรือลาค่าเกิดขึ้นเขาบอกอย่างไรมีสติพิจารณาอีกขั้นหนึ่งให้เห็นตามสภาวะที่จริงที่พระพาาบุทธเจ้าจัดว่าเมื่อเขากล่าวอย่างไรอย่าเพิ่งเชื่อแต่อย่าเพิ่งปฏิเสธ ใช้ปัญญาพิจารณาอันวิเศษให้รอข้อเกิดมีขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วจะรู้ตามความเจริงพระพุทธองค์สัรร่งจั์บ่อยๆว่าเขาบอกหรือเขาว่าอย่าเพิ่งโกรธอย่าเพิ่งชอบทำใจให้เป็นกลางพิจารณาเห็นตามความเจริงจึงจะไปได้ของแท้ ทางที่จะดำเนินอย่างนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นสภาพที่รุมรึกข้อ อ, อย่างยิงเรื่องสมาธิแม้จิตท่านสูงนี่บางทีคนก็ไม่สามารถจะรู้ได้ก็มีคือหมายความว่าถ้าไม่ผ่ า, านครูบาอาจารย์คือทุกสิ่งทุกอย่างมันสงบแล้วสบายสงบแล้วสบายนี้เป็นธรรมข้อไหนเป็นธรรมฌานสมาธิ คืออัปปนาสมาธิหรือสมาธิอันใดก็ไม่สามารถจะรู้ได้ต่อเมื่อในรู้หลักธรรมให้รู้ตาธรว่าปฐมฌานมีองค์ห้าหนุจิยะฌานมองค์สามกัจจิยะฌานมีองค์สองเจตุตเจฌานที่สี่มีองค์หนึ่งแตเพิ่มอุเบกขาเป็นองค์อย่างเป็นสอง ถ้ารู้ในทางปริยัติก็ลายอารมณ์ของความที่เป็นไปลายถึงตั้งแต่ชายหนึ่งมีวิตกวิจาร์ให้เห็น ช, ช, ชัดชัดชัดชัดอยู่ประจิตก็จะรู้ขั้นรู้ตอนเรื่องของอารมณ์ของเราเองการดังนี้เป็นตน <c oughs> อนสมเด็จพระผู้มีพระภาาเจ้า ทรงมีพระปัญญาคุณอันลัมเลิศและมีพระบารมีอันเป็นสิ่งวิเศษสุดซึ่งไม่มีสรรพสัจอื่นที่จะมีพระบารมีเท่ากับพระองค์ได้เพราะฉะนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงได้ประกอบด้วยฌานมาบัต ทานหนึ่งสองสามสี่เขาเรียกวามาบัติเขาเรียกรูปสมาบัติห้าหกเจ็ดแปดเขาเรียกว่าสมาบัตรคืออรูปามาบั ต, ออบติหรืออีกเร่องหนึ่งว่าหนึ่งสองสามสี่คือรูปฌานห้าหกเจ็ดแปดคือเป็นอรูปฌานเขาเรียกได้เรียกได้ังืองกามาบัติและทั้งทั้งรูปฌานเหล่านี้ <c oughs> และธรรมเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นแล้ว เป็นอุตริมนุษธรรมนอกจากพระสงฆ์ด้วยกันให้ครูบาอาจารย์ที่พรองค์สอ น, สนกันมาเขาก็พูดกันแต่เขาจะไม่ไปพูดกับคนอื่นเช่นบางรูปบอกยาญาโจะเข้าสมมาบัตรแปดวันเจ็ดวันอาญาโมมาขอมารอวันสุดท้ายจะออกจะสมมาบัตรได้ขอพร อันนี้กไม่ใช่ไม่ถูกต้องอย่างพระมาหากัตตาปะท่านเห็นหญิงรักย่างชาชวนคนหนึ่งยากวนมากแต่มีบารมีพอออกจากมาบัตดแล้วท่านหวังมาโปรดหญิงคนนี้แต่ววางทางเทพเทราองหนึ่งรู้ว่าพระมาหากัตตาปะออกจามาบัตดนี้มัน มีบุญมากข้าหาวายปอนใครผู้นั้นจะวิเศษสุดจึงรีบนำอาหารทิพย์มาดักตักบาตรท่รานข้ามหากระสปาดท่านก็รู้อีกว่านี่เป็นเทพเดามา่านท้าไม่ไปยึงญิงผู้นั้นจึงบอกกับเทพราว่าท่านก็ไม่วิมานและมีความอาสุกดีแล้วหญิงคนหนึ่งได้รับวานเบียดร้อนในทุกข์มาก เราจะไปโปรดหญิงคนนั้นเทพดาใ น, นก็หลีกทางไปไปยืนอยู่หน้าบ้านของหญิงก่อนจะบริโภคมีข้าวกับเพาะเยาวาอิ่มก็ไม่สมบูรณ์เห็นพระอริยสงฆ์มาจับมายืนหน้าบ้านแต่วันนั้นจิตใจเกิดปองใสเห็นพระมาก็รู้ว่าท่านมายืนพยาบาล ยิ่งนำอาหารทั้งหมดที่ตนเองจะไว้บริโภคท่นเองมาใส่บาตรข้ามากจะประปับฝึกความศรัทธาความเชื่อความลนใจแม้จะอดก็ช่างมันแต่เมื่อเราได้ทำบุญแล้วมีปิติเกิดขึ้นกับกจิตทำให้หายหิวเป็น ป, ปิติเป็นภกษาาหารประการหนึ่งของจิต อีกงนั้นเมื่อสิ้นชีพลง่อไปถูสวรรค์มีวิมานมีนางฟ้ามีนาอัปสรเป้าดูแลและวิมานใหญ่โตแม้เพียงครั้งเดียวที่ได้สายบานพระมาก็จะปาผู้เป็นพระรานที่เคยล่ายวังตนหนึ่งว่า หญงคนนี้เมื่ออยู่ในวิมานแล้วจึงพิจารณาว่าเราได้บุญอันนี้อะไรมาเพราะเราไม่เคยเรียนศีลเรื่องพิรุณทานเรื่องศีลเรื่องศีลเรื่องสมาธิเไม่เคยเรียนก็มีคามทิพพิเศษคือบุญของนางรู้ว่าพระมหากระสปะนั่นเองมาโปรดเราเราจึงได้บุญอันนี้เพราะฉะนั้น ท่านมียานอย่างว่าพระมหากัตตะปะอยู่ไหนเวลาฆ่าพระมหากัตตะปะออกไปบินจาบานแล้วจะสถิตจากวิมานมากรีของพระมหากกจะมาเก็บมาปัดมาฟาดทังนั้นผ้าไว้คอยขบฉันอย่างเรียบร้อยสะอาดอย่างยิ่งคนเราจะสะอาดเท่าแบบนาฟ้าเทพประบุไม่ถึงไม่ถึงขนาดนั้นทําอย่างไรก็ไม่ถึงแต่ท่านเหล่านั้น นางฟ้านางเทพิดาหรือเทพบุตรมีฟวาสะอาดเหนือกว่าละเอียดกว่ามาจัดที่ไว้อย่างดีแล้วก็กลับนิมานมเพื่อต่อบุญของตัวเองให้อยู่ในภาวะนนี้นานๆจ่งทังหลายวันพระหมากัะสป่าจับได้ที่แรกก็นกว่าเป็นพระเนรมาช่วยจัดมาจับได้แ้วก็กล่าวพนางว่า เป็นสิ่งที่ไม่สมควรในการอย่างนี้เพราะเดี๋ยวเขาจะโพนธนากันว่าพระมหาพิจาปะมีนางฟ้ามาช่วยปฏิบัติก็จะมองไปรูปในทางเสียหายเหมือนกับว่าพระมีกิเลสเหล่านี้เป็นตอนนานั้นก็เสียใจเหมือนกันแต่พระพุทธเจ้ากลับมาโปรโด มันท่าวความเสียใจและให้ปฏิบัติอยู่ในชั้นสวรรค์ของตนวิมานอันเป็นผลที่พึงปาธนาเขาเกิดขึ้นได้ไม่ต้องมาปฏิบัติดังที่กล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นจิตของผู้ที่อยู่ในสมาบัติขณะนั้นนิวรณ์ไม่มีกิเลสอันเป็นเครื่องขวางจิตมัวหมองจิตที่เปรียบเทียบ ว, ว่า นิวรกามฉันเกิดขึ้นเหมือนน้ำที่ใสแล้วเขาใส่สีลงไปแต่สีแดงสีเขียวสีเหลืองก็ตามเห็นน้ำมีสีเหลืองสีดำไปจามสีราคะหรือกามฉันเกิดขึ้นกับจิตเช่นกันท่าในจิตนี้ไม่บริสุทธิจิตมีสีต่างๆมัวหมอไม่ปรงใสมองเห็นอะไรไม่จริงจัง การนีสองด้างว่าจิตกําลังถูกโกระความโกรธโศะความบุกรายพยาบาทถูกพันอยู่จิตของพูกนั้นเหมือนน้ำที่กําลังต้มแล้วเดือดมีทั้งไอน้ํำก็พุง้งพานไม่นิ่งจิตนี้ก็เหมือนกันเหมือนน้าที่เหลือดพุ้งพานปุ้งขึ้นเป็นความโกรธเป็นความแค้นจึงปิดบงังภูสวรรค์ธรรมทั้งหลายที่จะเกิดไม่ให้เกิดขึ้น ทนมิทะที่จิตห้วงเงาเมืดมืดมนเหมือนหนองที่มีจอกและแหนปิดหน้าน้ําอยู่ไม่สามารถเห็นน้ําได้ถนัดเมื่ออาจอกและแหนออกไปแล้วึ็เห็นน้ําได้ถนัดใหลลงลึกตามเท่าไรก็มองเห็นฉันใดจิตที่ห้วงเหงาเหงานอนจิตที่เครื่องเซึมจิตที่เบื่อหนาย ไม่ขยันแข่งข็งจิตไม่ชุ่มชื่นเบิกบานจิตไม่ตื่นนั่นเองเนียกว่าถีน้มิท่ททำให้ไม่มีสติปัญญ า, า, าวว่าขางนวดฟันเลื้อยกำจัดอารมณ์ที่โมวโม่ให้หมดไปได้เพราะฉะนั้นจึงมีวิธีการที่จะจัดจึงเป็นอันว่าถีนมิท่าเหมือนน้ำมีมีจอกระแหน่ อาการที่สี่อุทจจักปุจจักความคลั่รลาำคานเปียบเหมือนน้ำที่มีะระรอกขึ้นน้ำไม่รอกลื่นนั้นมันถูกกัดแป่งมากทำให้น้านั้นขุ่นหมองหมองกิจของบุคคลเหมือนกับเมฆละหมอบางดวงจิตดวงจันทร์กิเลสชนนี้ชนิดนี้ความขุ่นของกิจมาบางกิตใจของตน ก็ทาให้มีสติปัญญาน้อยมองอะไรไม่เห็นชัดเจนจิตไม่ก้าวหน้าต่อการปฏิบัติวิจิกิจฉาจิตที่เป็นวิจิกิจฉานั้นเหมือนน้ำที่ผสมด้วยเมื่อกะตมทำให้น้ำขุ่นมัวหมองมองไม่เห็นใสมองไม่เห็นคว า, ามลึกของน้ำจิตนี้ก็เหมือนกันเมื่อเกิดคว า, ามรังเลวังใสแล้ว ชัางักตัวไม่รู้ว่าสิ่งไหนเป็นของแน่ก็เป็นของถูกไม่ถูกอย่างน้อย ก, ก็ทำให้เกิดคว า, ามกังวลและเสียเวลาในการติดตองนั้นการเสียเวลาในการตีตองนี้อาจจะเป็นเวลานานๆก็ได้ <c oughs> เพราะฉะนั้น นิวรห้าเปรียบเทียบด้วยลักษณะต่างๆนางกล่าวมาแล้วท่านจึงมีธรรมะที่แก้ไขเมื่อ น, นิวรณ์เกิดขึ้นให้พึงเจริญกให้พึงเจริญกายกาสจิตด้วยพระ อ, อสุภกรรมฐานแก้กามฉันให้พึงเจริญเมตตากรุณาธรรมไว้ให้จิตของตนเองมีความเมตตาสงสารผู้อื่นแก้พยาบาทแก้ความโกรธ แก่ปัจจุสันลายให้เจริญพุทธานุสตินึกถึงพุทธเจ้าให้มากๆธรรมานุสตินึกถึงพระธรรมให้มากๆสางข้าวตินึกพระสงฆ์ให้มากๆนึกถึงความดีของตัวเองก็ได้ที่เราเคยรักษาทีนเคยฟังธรรมเคยปฏิบัติดีปีบิบัติชอบมาเป็นทานมานึกถึงสิ่งนั้นได้มีความสุขใจมีความอิ่มใจความมัวงหมองเครื่องซึมมัวเหงาท้ถอย ก็จะหายไปเฉพาะยิ่งการนึกถึงพระบุรีเจ้ารู้ว่าพระศาสดานี้ของเรานี้เป็นเอกเป็นหนึ่งในโลกเราก็จะมีความยินดีมีความดีใจหรืออะไรก็ได้จะหาว่านั่งแลวง่วงหาทางนึกถึงสิ่งที่ทำให้หายง่วงท้อถอยนึกถึงสิ่งที่ทำให้เกิดความท้อถอยเช่นว่าเคยจเจริญมาแล้วเคยรุ่งมาแล้ว นั่งร่มจมลงคนนึกถึงธรรมที่เคยรุ่ง ม, มาแล้วเหล่านั้นเพื่อให้จิตเกิดตื่นขึ้นไม่ห้หลับไหลลงไปอีกเพราะธรรมในจิตของเราปลอดโปร่งจะทวนยายทั่วไปนึกถึงพระพุทธเจ้ามีถึงพระธรรมพระสงฆ์แต่ถ้าหากว่าผู้ที่ยังไม่ได้ศึกษาเรื่องเหล่านี้ว่าพระพุทธเจ้ามีประวัติเป็นมาอย่างไรถ้าทําเป็นอย่างไรก็ตั้งใจให้ดีปล่อยวาให้ดี ในแกจิตวัพุธโธธรมมรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆก็ได้พุทโธก็ปริชาผู้รู้ดีรู้ชอบปโยนเองและสอนผู้อุ่นรตาธรรมโมก็ระทำตาสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าใไปนำมาปฏิบัติแล้วลองย่อมรักษาผู้นั้นไม่ให้ตกไปในที่ชัว่วสังโฆคือหมู่สง์ในแ ก, ก่คุลบุตรของชาวบ้านได้ฟังธรรมแล้วมีสถาเรื่มใจออกบัวจนได้รู้มรรคผล ได้ช่วยพระศาสนาส่งสั่งสอนคุณบุตรประชาชนให้ฟางฟางออกไปขนนั้นต่างๆฟังฟังมาจนถึงเราทุกวันนี้พเพราะความสามารถของสวงผู้ต่อเนื่องมาจากองคุมเด่พระสัรมมาัมุขเจ้าเอากว่าพระสง์นั้นเป็นพยานบอกความจริงว่าพระพุทธเจ้าจะรู้จริงธรรมของพระองค์เนของรจริง ไม่ผิดพลาดแต่ประการใดถ้าหมู่สวงทั้งหลายได้ปฏิบัติกันมาแล้วแต่ละองค์เพียงจะมีอารมณ์ต่างกันแต่ก็รู้ว่าทำที่ปฏิบัติแล้วนั้นเป็นของประเสริฐเป็นของดีทำให้จิตใจเกิดความคองแพล่วแต่เขาต้องแก้ถูกดันในกาวมาแล้วจิตที่ฟุ้งสานอุทะจรูจาร ที่ทานจะเหมือนว่าเหมือนกับน้ําที่มีคลื่นมันกระฉอกกระชอนทําให้น้ําไม่โปร่งใสก็ต้องทานกิจให้หยุดจากความพุ่งสร้างความพุ่งสร้างขึ้นมาว่ามีอะไรคิดแค่นิดหนึ่งก็คิดมากเกินไปพยานหยุดความคิดนั้นมหาพุโทโธท่านหยุดความคิดมหาพุโทโธธรรมนาไม่อยู่พุทโธว่าพุโทโธเร็วๆ ถ้าว่าผู้โธร่เร็วๆยังไม่อยู่ให้อุดใจนิ่งอยู่ไม่จ้องนึกถึงอะไรหมดแล้วก็มีสติดูจิตที่ข่มจิตไม่นึกอะไรทั้งหมดนั้นเพราะจิตที่หยุดไม่ได้นึกคิดอะไรนั้นจะเป็นเหตุให้อารมณ์ของบุคคลหยุดไปตามไปด้วยน า, นานจึงค่อยผ่อนหายใจสักครั้งหนึ่งถ้าบุคคลได้สมาธิตอนนี้อย่างนี้ด้วยการ ขมใจแบบนี้แล้วเขาจำวิธีการนั้นไว้ถ้าหากว่าพอปล่อยคืนมาจิตไม่พุ่งก่้าแล้วอันนี้ก็หมายว่ามาถูกต้องเราก็คอยจำอารมณ์ที่เราเคยข่มเคยกดในข้อนี้ไว้ถ้ามีอาการอีกเราก็ข่มกดในข้อนี้ไว้เช่นเดียวกันหรือจิตขอเราเป็นสมาธิที่มั่นคงเพราะการข่มคารกดแด้ดุมาก าการข่มการกดนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นภาวนาเป็นตัวแก้ไขแต่เมื่อแก้ไขข้อนี้ตกเรากระจํำผลทางนั้น น, นไม่ได้หาวิธีได้เพื่อมีอารมณ์เหล่านั้นเอกจะมาแก้ไขได้ไม่ใช่เป็นคำํำสอนให้ปฏิบัติแบบนั้นเป็นแต่เพียงว่าบอกข้อแก้ไขเป็นการแก้ไขชั่วคราวแก้ไขตกแล้วก็วแล้วกันในข้อนี้มีสองตอนอุทจจะ ความพุ่งสร้างใ น, นลำคานอุกุดจั <c> ่ <oughs> ความพุ่งสร้างอย่างหนึ่งความรุนเรงของจิตอย่างหนึ่งหรือจิตที่ไม่พอใจอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเกิดความหงุดหิดในทางจิตใจข้อนี้ถ้าเกิดขึ้นท่านสอนให้พิจารณา ความตายของเราความตายของบุคคลที่เกิดมาแล้วไม่ร ล, ล้ผลความตายพระาะอะเพราะความตายนี้เป็นกรรมฐานที่วิเศษอันหนึ่งสามารถดับอารมณ์ต่างๆได้เพราะเมื่อคิดถึงความตายแล้วหมายความหมายที่ทุดแล้วไม่มีอะไรไม่มีอะไรอีกแล้วการไิดถึงความตายท่ารไม่ใกล้ละเอียดลงไป ไม่ห ม, ม, มายอาจจะม่อยู่ด้านนึกลเอยดลงไปใจิตนึกถึงความตายไว <c oughs> <c oughs> แล้วก็ไม่กลัวว่าถึงความตายคนนึกไปถ้ายังไม่เห็นชัดคนนึกถึงความตายคนบุคคนมาคนแขนขาดมาคนคอขาดมาคนทูบอาวุธตีฟาดเลือดไหลมาท่วมแผ่น ด, ดินที่ตนอยู่นั้นเห็นอาการแค่ น, นั้นแล้ว ก็จะเกิดความทางเวท เ, เกิดความทางเวทขึ้นคือนึกถึงความตายที่ตามมาแก้ไขกิเลสคืออุดอุทจะกุุจะตรงนี้ได้เพราะเพราะว่าไปเห็นท่าภาคของความเป็นจริงเมื่อเห็นท่าภาคของจริงก็ดับความรูม้สึกที่รังเลที่หงุดหงิดในใจออกไปกิได้มารู้ตามความเพียงนั้น คือแม้จะดับได้เพียงสงบเพียงตัวคราวก็อย่างดีถ้าเมื่อดับได้แล้วรู้คิดว่าดับอารมณ์หงุดหงิดลังเลวันนั้นได้แล้วก็เริ่มตวนภาวนาให้ใหม่ด้วยคามมีตติอย่าให้จิตเข้าไปใกล้ความมุงสันอยา่าให้จิตเข้าไปใกล้ความลังเลพยานไม่ถึงสิ่งที่มรณะ ความบุคคลนั้นไว้มากๆให้ไม่บ่อยให้ลึกซึงให้ละเอียดมากๆเพื่อจิตของเราจะได้เคลนหา่างจาอุทะจักผูกจักร <c oughs> ท้งสอนพระทานนั้นเพราะฉะนั้นความผู้ทรานมีอยู่ท่านจึงเหมือนน้ำที่กระเพื่อมที่มีคลื่นมันก็ย่อมขุ่นย่อมไม่ใส ย่อมเห็นน้ำไม่ใส่ก็จะมองลึกไปในน้ำมองไม่ได้มองไม่รู้ว่าข้างล่างน้ำมีอะไรอันนี้เป็นการแกร้อุเจะปูจจะนิวรณ์ข้อที่สีในข้อที่ห้พิจิกิจฉาความเมรัสงสัยข้อนี้สงใัยสติปัญญาสงสัยที่ในใช้สติปัญญาพิจารณาถ้าไม่รู้ไม่เห็นด้วยตนเองก็องนึกดูว่าตำราเรื่องใช้ปัญญาแก้่ล่านี้มีอยู่เรื่ณไหน ถ้าไม่รู้ก็้องถามหาท่านผู้รู้ให้ช่วยบอกคนท้าแก้ให้แล้วก็นำมาปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากความสงสัยเพราะความสงส่ยคนมีหลายอย่างหลายทิศหลายประการหนึ่งกันภาวนาไปไม่ได้สงบคนได้ว่าคำสอนนี้ไม่เป็นความจริงสงสัยอีกแล้วหรือว่าสงสัยว่าเอราทําทำปฏิบัติถูกหรือเปล่าเร่อนี้มส่วนบางที ทำไปในะถูกแล้วแต่ยังน้อ ย, ยไม่มากไม่อกมเดินทางไปก็ถึงบ้านที่หมุ่หมายสามกิโลเดินไปเพียงกิโลครึ่งเนีนานนัเกินแล้วนะ่ะกไม่ใช่ทาแล้วกลับเสียอันนี้ก็เสียประโยชน์ทันใดคิดก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นนิวอนอันใดเกิดขึ้นอย่าเพิ่งท้อถอยไม่ว่าพ่อไหนหาทางแก้ วิจิกิจชาต้องแก้ด้วยสติปัญญาใช้ปัญญาพิจารณาดูเพราะว่าวิจิกิจชาความให้รังเลความห้่สงสัยไม่แน่ใจว่าจะปฏิบัติทางไหนที่จะถูกต้องจึงต้องพึ่งพาอาศัยสติและปัญญาเมืลึกถึงข้อปฏิบัติดำเดิ ม, ดมที่เราได้เดิน ม, มาถึงตรงนี้เป็นอย่างไรก็ต้องหาทางแก้ไขเพีย อีกประการหนึ่งจิตของ <c oughs> ผู้ที่เกิดความงสงสัยเหล่านี้ทำให้จิตมัวหมองได้บางทีคล้ายๆกับจิดที่เป็นทีนามิทะความม่วงเหงาหลืหานอนถ้าแกอะไรไม่ตกให้ลุกขึ้นออกไปเดินจงกรมแต่มองฟ้าเห็นดาวเดือนที่สว่างสว่าง จิตก็ค่อยเพิ่มชื่นชมชื่นใจขึ้นสบายใจขึ้นถ้าหาว่าจิตกำลังทินามิทะหรือรังเรศงใสนึก็าภาวนาเลยไปไม่มีผลต้องแก้สิ่งนั้นให้เกิดผลเทียบควรจึงภาวนาต่อไปในทุกๆข้อไม่ว่าข้อไหนไม่ว่าข้ออามาชัน แก้โดการกายสติอสุภากรรมฐานเสียก่อนให้หายเสียก่อนเห็นของสวยของงามในรูปร่างเข้าเป 10, ็นจิตพันพึงพอใจพึงพิจารณาเห็นเป็นอสุภาเป็นสรกเป็นของหน้าเฟืยชัดเสก่อนจิตก็จะถอนตัวเองออกจากความเห็นว่าสวยว่างามราคะกิเลส ก, ก็หายไปด้วยหมดไปด้วยคนอื่นก็เหมือนกัน <c oughs> เพราะฉะนั้นนิวรทั้งห้าเป็นธรรมายอากุศลคือเป็นธรรมายขัดขวางความเจริญของจิตเท้ากองท่าจิตเพราะจิตท่าหากว่ามัวหมองไม่ผ่องใสแล้วจะปุนข้ามไปไม่ไปใช้ปัญญาก็ยิ่งไปกันใหญ่ไม่ได้ผลก็จ ะ, ะมีความพุ้งสร้างมากยิ่งขึ้นจึงผู้ที่จะปฏิบัติ ในทางจิตภาวนาพึงตัวตราสภาพจิตของตัวในวันนี้เราไปมีอะไรที่ไหนบ้างที่เรื่องขุมใจหรือขณะนี้เรามีมือมือหมอนอะไรอยู่ความมือหมอนนี้เป็นการมฉันหรือเป็นพยาบาทหรือเป็นขีณามิทะหรือเป็นอุจจารกุจจะหรือเป็นวิจิกิจารู้แล้วแก้ตรงตามทปณิกล่าวมาแล้ว ก็จะคืนปืนพ้นจากภาวะเอานั้นได้แล้วยังค่อยตั้งสติให้ดีไม่ถึงพระเจ้าให้มันคงนะภาวนาไปใหม่ผู้ที่ฝึกผนออกใหม่ๆมักจะมีอาการเป็นไปตจางแต่เพราะไม่ได้ดูว่าจิตของเราที่ไม่หงบนั้นถูกนิวรณ์พ่อไหนการปฏิบัติในจิตภาวนาต้องรู้วิธี ท, ท่ถูกต้องคือภาวนาถูกด้วยและรู้ว่า การภาวนานี้อะไรเป็นอุปสตรคเป็นตัวขัดขวางคือนิวรณ์นิวรณ์เกิดขึ้นในข้อไหนยังไงของเราไม่เกิดควางสงบก็ต้องแก้ไขในข้อนั้นนี่เป็นหลักที่สำคัญรู้จักทางแห่งการปฏิบัติที่ถูกต้องรู้จักแก้ไขเมื่อมีอารมณ์มาขัดขวาเพราะฉะนั้นนิวรณ์แต่ละข้อเหมือนคนเป็นโรคก็คต้งหาทางที่ทําลายโายครคไข้ไข้เจ็บนั้นหายยา่างไ แกวโรคปัยเจินั้นไม่หายจึงจะพ้นจากโรคได้ติด ก, ก็เหมือนกันมัวหมองในข้อไหนข็ต้อหาสิ่งที่ตรงข้ามราคาชอบของสวยของงามเปิดขึ้นเรากพิจารณาเห็นด้วยของโสโครยามาเกิดความปวดความแพ้เจ๊แค้นจะเอาชีวิตจีวาร่างกายกันนราก็ทนด้ถึงเมตตาธรรมกรุณาธรรมอกปรการหนึ่งคนเราทั้งหมดนั้น ถึงแม้ชั่วก็ชั่วหมดต้มีความดีเราก็นึกถึงความดีของบุคคลนั้นทั้งหมดว่าเรามีเพื่อนหรือเพื่อนบ้านกันบางครั้งเขาพูดหรือทำอะไรมันจะไม่เกรงใจเราเราก็เกิดความไม่พอใจหรือเกิดคืบโกรธนึกถึงเรื่องนี้ขั้งข่าวใดโกรธทุกทีไม่พอใจทุกทีไม่อยากพบทุกทีเราก็หวนคิดถึงเรื่เคยคบปนเปนมาก่อนในเขไม่เคยทำแบบนี้ คามดีเขามีอยู่นึกถึงฟวานดีของเขาเขาจะหายโกรธได้และอื่นๆอีกพอสงควรถ้าเร า, าแก้ตามหลักนี้ไม่ไม่ตรงแล้วหาทางด้วยปัญญาตนเองแก้ไขให้ถูกกับจริตจิตญาณัยของตนแก้ให้พ้นให้ได้และจึงค่อยภาวนาไปเอาแก้ไม่พ้นแล้วคืนภาวนาไปก็ไม่มีผลมีแต่เพิ่มเติมในสิ่งเหล่านั้นไห้รุงหนักอีกเพราะฉะนั้น นิวรเขาจึงทำกาให้เชื่อว่าทำอันฝังจิตหรือกั้นจิตไม่บรรลุความดีคือให้จิตมัวหม อ, ห ม, อมืดมนฟุ้งซ้านด้วยประการต่างยิงต้องหาทางแก้ถ้าหาว่าแก้ไม่ได้ก็ยังภาวนามไม่ได้ต้องแก่หรือกม่ให้จบก่อนเพราะฉะนั้นต้าเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประสบ ป, ประการปิ่งเหล่านี้มาอย่างทำ น, นิทนาน พร้อมในตัตสรู้อริยมรร้ผลด้วยพระปัญญาคุณของพระองค์เองจึงมีความปรีา ช, เรชราเฉลียวฉลาดพระสาวกมาถามเรื่องใดสามารถตอบในหมดพวกรามที่ไม่ชอบพระพุทธเจ้ามากล่าวตูว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าทรงตอบได้อย่างหมดให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างคนชนเหล่านั้นฆายกระรบนัทถื อ, ออกบวดและจ้างคนบบาโถวาจิกามากอยงนี้ อาจารว์วความว่าอนาปาลสติขอแนะนำเป็นทางปฏิบัติในปัจจุบันนี้ก็ ค, คือวิธีการแก้ที่มันพุ่งสา้างนอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่วรว์นั้น่ <c oughs> อยวางอารมณ์อื่นทั้งหมดเทนเดียวกันนึกถึงพระพุทธเจ้าในใจพระธรรมในใจพระโสดในใจหายใจเข้าออลึกๆหายใจออกลึกๆ นัก ห, หลายเที่ยวหลายสามปีเที่ยวก็ได้ให้จิตใจของเราปลูกสายดีแล้วก็ออกมากันหมดอนาปานติคืออารมณ์ก็คือล ม, มหายใจเข้าออกหายใจเข้ามิสติรู้สัมผัสลมถ้าคนจมูกยาวเวลาหายใจออกลมจะปะทะปลายจมูก ถ้าคนจมูกสั้นหายใจออกลมจะประทะผิวปากเบื้องบนเพราะฉะนั้นหายใจเข้าแล้วออกลมนั้นสัมผัสตรงไหนนึกถึงตรงนั้นไว้เป็นอารมณ์รู้ลมเป็นจุดนั้นหายใจเข้ารู้หายใจเข้าลมสัมผัสตรงนี้หายใจออกรู้หายใจออกมีปติลมสัมผัสตรงนี้ ทำอยู่อย่างนี้หายใจเข้ารู้สัมผัสหายใจออกรู้สัมผัสทำอยู่อย่างนี้ให้สมานเสมอด้วยความมีสติอย่าพลันละเผิอกิจท่านเปียบเหมือนลูกโคลและอารมณ์เปียบเหมือนเชื่อสติ เอาอารมณ์เปียนเมื่อแล้วอารมเปลียบเหมือนหลักสติเปลี่ยนมันเชื่อเขาเอาเชื่อรกราบบุโคและจูงใบผูกไว้ที่หลับมันไม่เคยจะหลับมันก็ดิ้นรนหลักก็ไม่ล้มเชือกก็ไม่ขาดในสุดมันหมดแรงก็าต้องนอนนอนยอมนอนถยูตรงนั้นแหละทิศนี้ก็เหมือนกันมีสติให้มันคงหาทางแก้ไข ในเรื่องความไม่สงบต้องคิดให้ได้ต้องทําได้และเมื่อเรามีความเพียรเอาใจใส่อยู่อย่างนี้เราก็จะพบทางแก้จามจริตของเราเองให้เกิดความสงบขึ้นได้และเมื่อเกิดความสงบสิ่งเหลรานั้นที่อุบัติหายไปเราก็จําได้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างนี้เองเหมือนกับว่าผ ล, ลไม้ ที่มาแรงต่างๆมันแตยครผิวเปืเป่อนเห็นความไม่งามของผิวคันได้นำมาผลานานไปไปขัดถูไปล้างให้สะอาดแล้วก็จะเห็นผิวผลไม้งามหน้าบริภูทชันใดจิตของบุคคลที่มัวหมองเพราะอนหน้าของนิวนห้าพอใดกอหนึ่งก็เหมือนกันถูกสติปัญญา ถำหนดขจัดสิ่งเหล่านั้นให้หายไปสิ่งที่มาบางมาทางมีใจมัวหมอง่าหายไปมันก็ผ้าที่ขาวถูกปรกเอาไปทาเสียจะอาดก็เป็นผ้าขาวสะอาดโครนไฟที่หมัวหมองถูกฝุ่นถูกวันฟองไฟที่ไม่มีแสงออกใบล่างให้หมดฝุ่นหมดวันเหล่านั้นออกเยียก่อนก็จะมีแสงออกจิตนี้ก็การชำระจิตให้พ้นจากนิวรจิตนี้ก็จะมีแสงออก ด้วยความสงออบดังนี้เพราะฉะนั้น <c oughs> สมาธิทุกๆอย่างในสี่ิแบบนี้มันอที่พูดถึงว่าอนาการสติใกนการหมัดรวมลมหลดลมหายใจออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ถ้าของการทั้งผัดพื้นที่ขนจมูกยาวอยู่ปลายจมูกคนจมูกสั้นอยู่ผิวปาก บ, บน <c oughs> <c oughs> เวลาลมหายใจเราโออกจะรู้ น, นี้แล้วก็จําตรงนั้นไว้เป็นเครื่องหมายเมื่อไปจําตรงนั้นไว้เป็นหลักแล้วก็มีสติของเราผูกพันไว้อย่าให้ไปที่อื่นแล้วก็จิตเป็นผู้นึกผู้คิดระวังสติระวังจิตของตนต้องมีสติให้มากอย่าปล่อยให้จิตไปเที่ยวที่อื่น ให้นึกดูแก่รู้ลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าให้ออกเท่านะั <c> ้น <oughs> ประการที่สองวิธีปฏิบัติท่านสอนวว่าทําเป็นชุดๆคือหมายว่ามันหายใจเข้านับในใจว่าหนึ่งหายใจออกคู่หนึ่งนี้ว่าคู่หนึ่งคู่ที่หนึ่งหายใจเข้าครั้งที่สอง นับว่าสองในใจหายใจออกครั้งที่สองก็นับว่าสองคู่ที่สองหายใจเข้าครั้งที่สามมีสตินับว่าสามหายใจออกครั้งที่สามก็นับว่าสามคู่ที่สามหายใจเข้าครั้งที่สี่มีสติหายใจออกครั้งที่สี่มีสติเป็นคู่ที่สี่หายใจเข้าครั้งที่ห้าออกครั้งที่ห้ามีสติเรียกว่า เป็นคู่ที่ห้าเมื่อได้ถึงคู่ที่ห้านี้อย่าเพิ่งเลยไปเอาแค่ห้าคู่ก่อนแล้วก็ถอยหลังอันนี้าจากห้าสี่สามสองหนึ่งนึกเหมือนกันแล้วก็เริ่มต้นใหม่หนึ่งถึงหกแล้วก็ถอยกลับมาหกจากหน่งถึงหนึ่งแล้วก็เริ่มตัวใหม่หนึ่งถึงเจ็ดถอยจากเจ็ดมาถึงหนึ่งแล้วก็เริ่มต้นใหม่หนึ่งถึงแปด นี่ก็ถอยไปแปดมาชึ่งหนึ่งล้วก็ถอยเริ่มเบื่เริ่ ม, หมใหม่หนึ่งชึ่งเก้าทำด้วยความมีสติเนี่ยนี่ก็ถอยมาเลือยนหนึ่งนี่ก็มีเริ่มงเรื่องจกหนึ่งถึงสิบนี่ก็ถอยมาหนึ่งเข้าไมา่เกินสิบครั้งไม่เกินสิบไม่เกินห้าคููไม่เกินสิบถ้าเกินไปแล้วจะทําให้เกิดความผู้สั่นได้หรือว่าทําให้เกิดความบางเลยอย่างใดอย่างหนึ่งเอาแค่สิบ เขาจะพเพราะฉะนั้นหนึ่งถึงห้าถอยกลับหนึ่งถึงหกถอยกลับทุกครั้งมีสตินี่คือปฏิบัติง่ายและสิ่งที่เราลุกเรานึกเ่าคิดอยู่ในตัวของเราลมหายใจก็อยู่ในตัวของเราผิวกายทัานผัดเขาอยู่ในตัวขเราส ต, ติเราก็มีอยู่จิตเราก็มีอยู่อยู่ในตัวของเราไม่ลองไปหาสิ่งอื่นมานเป็นเครื่องเพลงมาเป็นเครื่องภาวนา <c oughs> เว้นไว้แต่กรรมฐานที่สอนให้พิจารณาเรีนพิจารณาเกษาโลมานักขาตันตาเรื่อพิจารณาอาหารเรื่อพิจารณาความเป็นไปอย่างอื่นพิจึงความมันตายจะมีแก่จนเหล่านี้เป็นส่อันนี้เปนอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าอย่างไรก็ดีจะเป็นกรรมฐานแบบไหนเมื่อข้าหากว่าเราทำสงบความสงบใต้แบบไหนใช้กรรมฐานบทนั้นเนี่เป็นกรรมฐานประจันชีวิตของจน พูดโทก็ได้ลมหายใจเขาออกก็ได้หรือตั้งสติไว้จิตดูจิตอย่างเดียวก็ได้จิตจะคิดอย่างไรก็รู้หยุดคิดก็รู้ก็ได้ได้ฉะ น, นั้นหรือให้จิตนึกถึงความตายก็ได้แล้วแต่จริตของเราถ <c oughs> ้าจดิษของเรามากักจะประมาทปัดวันประการทุ่มไหว้วานนึกถึงความตายชนิดเพรว่าจิตของเราชอบความปวดวางาม ก็ใหนึก อ, อสุภธรรมฐานสาวจิตของเราเป็นคนใจน้อยกดง่ายก็เจริญเมตตาให้เกิดมขึ้นดังกล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการของอนาปานัติเพราะทำไปนานๆาาเข้านานๆาาเข้าที่เราเน้นนัดพอดีคอยห น, น, น้าคอยหลังพอดีมันจะมีจุดสงบอยู่จุดหนึ่งไม่ขาขึ้นกับขาลง แต่ยังไม่มลายฟังนั้นไปเยควาว่าไม่ต้องไปคำหนึ่งหนึ่งจุดนั้นมีสติคุมไปแล้วกันหนึ่งถึงห้าหนึ่งสิบอะไรก็คุมไปเรืวว่อยๆแล้วก็มีจุดหนึ่งที่จิตพอดีพอดีขึ้นก็จะเกิดความสงบขึ้นในขณะนัดในจุดใดจุดหนึ่งความสงบเกิดขึ้นในจุดใดหนึ่นยุดทันทีดูจุดนั้นไว้อย่างเดียวตดูอารมณ์ความคิดไว้อยู่นั้นอย่างเดีย ว, ล ว, ยยยวแล้วก็พยายาม คุมไว้ไม่เสื่อมให้ดูดนานได้มากเท่าไหร่จริงดีจิต ท, ที่สงบแล้วแล้วคุมได้ไว้ไวดูไดน้นานนะจะเป็นการบ่มจิตอบรมจิตที่เคยจะความพุ่งสร้างเดียวคิดมุ่งที่นี่สิ่งเหล่านั้นก็จะสลายตัวไปเหลือว่าจะความเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งของจิตในระหว่างนั้น <c oughs> จิตเป็นคณิกะอาจจะเป็นได้เดี๋ยวเดียวคือยังไม่จับคุมอารมณ์เป็นคุมไม่ได้นาน ้าเป็นอุปจาระก็ดิดนานหน่อยถ้าเป็นอัปปนาก็ได้นานมากจะ ถ, ถึงอัปปนาแล้วจะเกิดความชำนานแล้วจะรู้ข้าบปิญญาหนึ่งสองสามสี่ได้อีกมันล้วนแล้วแต่เป็นไปเพื่อทำให้จิตใจรู้สว่างสวยัยแน่นอนไปเพื่อวิปัสสนาก็จะเห็นอนิจจังุกมิขานัตาของสริระร่างกายในตัวเราเอื่องนี้ได้เมื่อเห็นในสิ่งเหล่านั้น เห็นตามความเป็นจริงแล้วจิตก็ถอดถอนออกจากราคะโทสะโมหะตัณหาวิชาอัปปทานต่างๆให้บอบางแล้หมดไปบาบางไปก็เป็นพระโสดาบันบ้างเจกาคาธามีบ้างอนาธามีบ้างถ้าว่าถึงที่สุดก็เป็นพระหรหันที่เดียวบ้างเหล่านี้เป็นตน้นนี่คือเป็น ทางวิชาวิชาทางพุทธศาสตร์หนาสอนธรรมสมาธินั้นเพื่อมุงมมงมงมงม่งมั่งมุ่งมุ่งมุ่งมุ่งมุ่งมั่งผลต่อความพ้นจากกิเลสเป็นที่ตั้งไม่ใช่เรียนสมาธิแล้วามาเป็นหมอดูหรือ <c oughs> มาเน้นให้เกิดราภผลให้เกิดขึ้นกับตนเองอันนั้นไม่ใช่ทางเป็นมิจฉาสมาธิสมาธิที่เกิดขึ้นแล้วทําให้มานหม่งงคุดขัดให้เกิดความเจรินาน ทำงานดีแล้วจึงพิจารณากายตัวเองเป็นอนิจจ์ให้เห็นเป็นช่วงๆไปก่อนเป็นทุกขังเป็นอนัจจาให้เห็นความเป็นไปาตามความจริงอันนี้นั่นคือวิปัสสนาอันจะเป็นการใช้พลังจิตที่ถูกต้องตามครองธรรมจะเป็นหินเหตุให้จิตแห่จิตของเราจเจริญเข้าสู่วิปัสสนาและรู้ตามความในจริงเพราะฉะนั้นท่านกลวว่าสีเป็นบรรดาิขันอน ที่จะส่งเขาถึงนิพพานสีเรนะทุกจริงยันสิสมาธิได้พลังของศีลกำจัดกิเลสอย่างจาบแล้วสมาธิกำจัดกิเลสอย่างกลางคือนิวรณทั้งห้าให้หมดไปดดจิตโมจโจากนิวรณ์ก็สว่างสวัยเป็นเหตุให้ใช้ปัญญาพิจารณารู้ตาความจริงรู้ตาความพิงอดับเพิงกิเลสและกองทุกคือราพโทสัมโมหะ อุปาทานที่เคยยึดมั่นถึงมั่นเป็นเงี้ยนีอย่างนี้ก็หมดไปจิตก็ข้ามพ้นจากอาสวะกิเลสตามกําลังของจิตข้าเบื้องต้นก็เป็นโสดาบาันบ้างปราะชาคามีบ้างเป็นต้นหรือไม่ถึงกระนั้นแตรทำจิตของเรให้สงบด้วยและมีปัญญาเห็นสิ่งเหล่านั้นด้วยความ พ, า พ, าพิจิตรคามปราบรื้อในใจเรานี้ว้นแต่เบญปุญญบุคคลนะ เพียงเท่านี้ถ้าเราจําไว้ได้เมื่อตายไปไม่ต้องกลัวนรกไปกสู่สุคติทั้งพิณเหมือนยพระยาชะที่เคยกล่าวมาแล้วเป็นท่าเลเคียจบตั้งแต่นั้นมาชีวิตของท่านจะไม่เคยตกต่ําเลยสวรรค์บ้างมนุษย์บ้างสวรางบ้างมนุษย์บ้างมนุษย์นี่ไม่เป็นามหากษัตริย์ก็เป็นเศรษฐีขหบดีไม่มีความยากจนแต่ประการใดจิต ท, ที่เป็นสมาธิ แม้ช่วงขณะหนึ่งท่านกล่าวว่าใครบำเพ็ญสมาธิได้เพียงท่านสรามเหมือนช้างวีหูคือช้างโบกหูกับข้างหลัง้งหนึ่งล้าน้าข้างหนึ่งเป็นเวลากี่วินาทีทำสมาธิไอเ้เกียงเท่า น, นั้นนะเป็นผลอันมากมายกับชีวิตของวนเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นการทำบุญอื่ น, นๆสู้สมาธิไม่ได้บุญแห่งสมาธินี้เป็นบุญรําเล่ ที่จะทาให้เราประเสริฐมีปัญญาลูกซึ้งและเพระะเาะอยิ่งเมื่อได้สหายมิตรคู่กับสมาธิคือปัญญาจะทําให้ตัดที่เละได้ความหมุนหมองมัวมองต่างได้จะทำให้ ร, ร, มมรู้ความเปจริงได้นี่คือคําสอนของพระพุทธศาสนาแต่เราไม่ต้องมุ่งหวังอะไรมากไปทําให้จิตวารสงบจากความพุ่งพ้านจากที่วอนเหล่านี้ให้เบาบาง ล, ลงไปเบาบางลงไปให้จิตของเราสะอาดขึ้นสะอาดขึ้น ก็จะเป็นผลดีอย่างมากมายดังกล่าวมาเพราะฉะนั้นต่อ น, นี้ไปจวงตั้งใจความเป็นจิตของตอนเคยฝึกมาแล้วสงบอย่างไรก็ทําไปอย่างนั้นหรือผู้ที่อย่างลังเลอยู่ย่อมมีกรรมฐานแน่นอน mm hmm. ก็หล่อฝึกอานาปานอัติจิดังกล่าวมาก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เพราะเป็นคําสั่งสอนเป็นธรรมคาสั่งสอนเพื่ออบรวมจิตทั้งสิ้นอันจะเป็นบุญเป็นกุศลให้เกิดมีขึ้นในชีวิตของตอน ถ้านในปัจจุบันในภายปายหน้าจงตั้งหน้าทั้งใ จ, จเจริญภาวนาตามคำสอนของพระศาสดาต่อไป